ด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่สองประการคือความโปรดปรานแห่งความปลอดภัยและความสงบสุขและความโปรดปรานแห่งความมั่งมีและความสะดวกสบายด้วยพระนามของอัลลอฮผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุรชเพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุรอช ด้วยความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤ ด, ดูหนาวไปเยมเมนและฤ ด, ดูร้อนไปาาราดาดังนั้นพวกเขาจงเคารพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้เถิดคืออัลกะบะอัลลัีอัตุอัมมุมมินจูอิวูแอมันอมมินขุ